เออมันมีเหตุเมื่อวานเมื่อวานเนาะเออมีมีโยมโยมอายุก็มากอยู่นะเออทั้งสามีภรรยาเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าได้เบอร์หลวงพ่อมาไม่รู้ได้มาจากไหนเหมือนกันนะถามว่าเออได้เบอร์มาจากไหนและทำไมแอดไลน์ได้โยมบอกว่าพบในยู u ูบที่หลวงพ่อก็นั่งเนาะโยมโยมตายายก็ได้เบอร์แล้วก็แอดเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันทางไลน์ ทีนี้โยมก็บอกว่าโดยเฉพาะโยมโยมยายเนาะบอกว่าปฏิบัติปฏิปฏิธรรมฝึกรู้สึกตัวเนี่ยแนวหลวงพ่อเทียนมาหลายปีมากแต่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมองว่าที่ฝึกอย่างนั้นคือรู้สึกตัวแล้วเนาะ ทีนี้โยมก็เล่าว่ามีเพื่อนเนี่ยส่งคลิปเนี่ยที่แล้วโยมก็ฟังฟังฟังเสร็จแล้วปฏิบัติเป็นเลยคือรู้สึกตัวคือรู้แบบแบบตามที่หลวงพ่อชี้แนะในคลิปอะนะโยมก็บอกว่าโหที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาตัวเราไปรู้สึกตัวหมดเลยมันไม่เคยเห็นตัวเราเลย อ, อันนี้โยมครั้งที่บอกว่าปฏิบัติมาหลายปีนะอะทีนี้ตอนหลังก็โยมตาโยมตาก็ได้รับคําแนะนำได้รับคาแนะนําจากโยมยายว่า เออนะดูคลิปนี้นะดูแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกตัวเป็นยมตาก็ดูพอดูเสร็จแล้วก็เข้าใจเหมือนกันว่าอการปฏิบัติรู้สึกตัวมันต้องต้องรู้แบบนี้รู้ทั้งตัวเนี่ยนะเออหลวงพ่อก็เห็นว่าคลิปนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์กับกับผู้ใหม่ผู้เก่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเข้าใจได้ได้ไม่ยากสาธุก็ <c oughs> <c oughs> เออทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อมีมีบันทึกเสียงที่โยมยายกับโยมตาคุยกับหลวงพ่อเนาะค่ะหลวงพ่อก็จะเปิดให้ฟังไปหลวงพ่อผมผมก็ฝึกยกมือแบบเนี่ยคุณยายเนี่ยคุณยายพายกมือผมยกมือมาสามปีผมไม่รู้อะไรเลยเหรอผมผมอผมทายกายผมเพ่งไปหมดเลยอ๋อ เพ่งไม่หมดเลยเพ่งสิเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนี่เห็นไหมดูต้นไม้เนี่ยนะโยมไปดูต้นไม้เนี่ยโยมก็ดูแบบสบายแบบสบายแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่ามันมารู้เราด้วยเห็นไหการรู้เรามันรู้เราทั้งตัวนะรู้แบบรู้แบบรวมๆ嘛เนาะมันไม่ได้รู้จุดใดจุดหนึ่งอย่างนี้ยรู้แบบไม่เพ่งรู้ทั้งตัวเหมือนเหมือนโยมตาไปมองโยมยาใหญ่ไหมโยมมองแบบ มองแบบทั้งตัวไม่ได้มองที่หัวอย่างเดียวคือมันมองแบบรวมๆอย่างเงี้ยไม่เพ่งอย่เป็นธรรมชาติมากเลยมองแบบรวมๆอย่างเรามองรถยนต์วิ่งเห็นไหมละ่ะเราก็มองแบบรวมๆอย่างเงี้ยไม่เพ่งแต่ถ้าเพ่งคือมองมองคันใดคันหนึ่งอย่างเงี้ยเพ่งคล้ายๆแบบนี้ผมตั้งใจว่ <S <S าที่ตื่นมาตื่นมาตีสามกว่าตีสามครึ่งเงี้ยเป่าแล้วลุกมาลุกมาได้ สร้าง1ิบสี่ชั่งวะถึงหกโมงทำอย่างเี้ยมาสามปีแบบเอาเราเราเราเข้าไปยกมือใช่ตั้งใจเลยเราเข้าไปยกมือเลยพอมาดูมดูคลิปอาจารย์เนี้ยนะผมดูได้ประมาณสักยังไม่ถึงเดือนดีเลยพังเนี้ยผมก็เข้าใจซึ่งๆึ่แกได้ค่ะเพื่อนส่งูี่ส่งให้อาจารย์ดูนะคะเพื่อนส่งมา เพราะว่าเมื่อก่อนเราไปสุขตโตกันจนไปจนยายป่วอยอ่ะยายก็เลยไม่ได้ฝังโยงยายไปแล้วแห่สมัยคุณได้ฟังคำนะซิพระอาจารย์แบบฟังไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจเราเลยไม่ไม่ไม่เข้าใจจริงๆจนยายเพึ่น ม, มารู้สึกตัวแบบว่าเห็นตัวเองเดินเห็นมือตัวเองทางนั่นทานี่เนี่ได้สักสามเดือนเนี่ยมัอ่อฟังฟังฟังพระอาจารย์ ดีเพื่อนส่งมาให้หลังจากเดือนนิทรรศนาหรืออะไรแต่ก็ดูมั่งให้ดูมั่งเพิ่งมาดูจริงๆก็ไม่ถึงครึ่งเดือนเนี่หรอไหมอ๋อที่มาดูดูติดตกันเนี่ยเม่อมาดูของอาจารย์เขเขเริ่มเข้าใจแต่แต่ก่ไม่เคยไปสุกศตัวทีหลวงพ่อนี่จริงมันมันได้บทเรียนจากตัวเองอะหลวงพ่อก็ตอนโน้นอะยกมือจริงๆก็ยกมือรู้สึกตัวอย่างที่คนเขายกกันอะค่ะแต่หลวงพ่อมองไม่ออก ว่ามองไม่ออกความแตกต่างระหว่างเราเป็นตัวเราอะไรนะมองไม่ออกว่าเอาตัวเราไปยกมือแต่เมื่อมีถึงจุดหนึ่งพอมันเข้าใจเนี่ยมันเลยรู้ว่าอ๋อที่ทํามาเนี่ยตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตัวเราเป็นผู้ฝึกสติหมดเลยแต่พอรู้สึกตัวเป็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเหมือนกับว่ามันมีอีกรู้หนึ่งอะที่มารู้ตัวเราพอเข้าใจอย่างเนี้ยมันเห็นเลยว่าโอ้ี่คนปฏิบัติ ที่มันไม่ถูกเนะ่ยมันอีกเยอะเลยอ่ะพราะด allora. ูจากตัวอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อปฏิบัติหลายปีอกว่าจะเข้าใจตรงนี้ได้ว่าไอ้ที่ทํามาเนี่ยมันเอาตัวเราไปทํามันไม่ได้เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ถูกเป็นผู้ทำเออคือไม่ได้เห็นว่าตัวเราเป็นเป็นสิ่งถูกรู้อ่ะก็เลยพอเห็นจุดผิดพลาดตรงเนี้หลวงพ่อก็เลยทุกวันเนี้ยก็เลยมาบอกกันว่าเออนะรู้เรานะไม่ใช่เราไปไม่ใช่เรามารู้ไม่ใช่เรามารู้ตัวเราแต่ให้รู้เรา คำว่ารู้เราเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่ารู้ได้ใจเนาะรู้ได้ใจใจซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้ไม่มีตัวไม่มีตนเนาะหาตัวตวนไม่ได้มองก็ไม่เห็นเนี่ยหลวงพ่อก็เลยเน้นตรงนี้มากหลวงพ่อก็เชื่อว่าทุกวันเนี้ยคนก็ยังเอาตัวเราไปไปเป็นเอาตัวเราไปทํำหมดเลย อ, <laughs> อ่ะทีนี้ก็ คือหลวงพ่อพูดย่อ ก, ก็ได้นะในคลิปนี้มันเป็นเรื่องของคือหลวงพ่อเนี่ยได้ยกตัวอย่างเรื่องเอ่อเรื่องการการให้เห็นตัวเราในในที่ที่ที่เราอยู่ในที่มืดเช่นปิดไฟหมดเลยเนี่ยเนาะพอปิดไฟหมดเลยเนี่ยหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างเห็นไหมล่ะการรู้เนี่ยการรู้ด้วยใจรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับแสงสว่างหรือความมืด แต่มันรู้ด้วยใจก็หมายความว่าตัวเราที่อยู่ในที่มืดเนี่ยมันก็รู้ได้นี่ว่าเออตัวเรานั่งอยู่ตัวเราเดินอยู่ตัวเราทำอะไรอยู่มันรู้เลยทีนี้พอมาเทียบกับตรงนี้เออโยมตายายถึงได้เข้าใจก็เพราะว่าประสบการณ์ของคนมันมีอยู่แล้วแหละแต่เพียงเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะว่าการรู้ตัวเรามันเป็นยังไงพอหลวงพ่อยกตัวอย่างเออว่าเรานั่งในที่มืดมันรู้ตัวเราได้ไง เราจะกม้มเราจะเงยเราจะอ้าปากเราจะหันซ้ายเลยวา่าโอหมันรู้ง่ายเลยทีนี้ถ้าจับทางได้อย่างเนี้ยมันก็สามารถเอาเอาสิ่งที่เข้าใจเนี่ยไปใช้จริงเลยไปใช้จริงก็หมายความว่าจะอยู่ในที่สว่างจะอยู่ในที่ไหนก็ตามมันก็รู้ตัวเราได้อย่างง่ายๆแล้วก็เหมือนกับยายโยมยายบอกว่าเออตัวเองเดินตัวเองนั่งมันก็รู้เราไปหมดเลยตัวเองเกาตัวเองอะไรมันก็รู้เราหมดเลยซึ่งมันรู้ไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเอาเราไปรู้ แต่พอได้ฟังเนี่ยโอ้มันรู้เราแล้วก็ยมตาเออยมตาบอกว่าวันก่อนที่หลวงพ่อพูดถึงว่าที่เรา เ, เข้าห้องคลับเฮาเนาะมันก็มีโทรศัพท์แล้วก็มีตัวเราอยู่นอกโทรศพัพท์ที่นี้หลวงพ่อก็ยกตัวอย่างว่าเอา้านี่ถ้าถ้าเราลืมตัวนะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์เลยนะแต่ถ้ารู้ตัวจะรู้ว่าเอา้า ไอ้ตัวเรามันอยู่นอกโทรศัพท์นี่ไอ้โทรศัพท์มันก็เป็นแค่โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์แล้วในนั้นมันก็มีโปรไฟล์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเข้าใจว่าการรู้ตัวเราเนี่ยคือไม่ใช่รู้ที่โทรศัพท์แล้วแต่รู้ตัวเราที่มันอยู่นอกโทรศัพท์อย่างเนี้ยคือมันเป็นความรู้สึกตัวในเบื้องต้นที่ทําความเข้าใจให้ถูกใช่ไหมและตอนหลังก็ไปไปเพิ่มทักษะไปเพิ่มประสบการณ์เอาเองว่าเออเมื่อจำทางเรื่องการรู้ตัวเราแล้วเนี่ย เราไปก็ขยายผลให้ให้มันรู้ยิ่งขึ้นไปอีกเนาะรู้ชนิดที่ว่ารู้แล้วคือไม่ยึดไม่ถือคือปล่อยวางทั้งตัวปล่อยวางทั้งตัวนะเมื่อรู้ตัวเราก็คือปล่อยวางตัวเราทั้งตัวเมื่อปล่อยวางแล้วเนี่ยมันก็เหลือแต่รู้ใช่ไหมรู้ที่เรียกว่าใจนี่แหละจึงเหลือแต่ใจใจจึงไม่ได้ทุกข์กับตัวเราเลยไม่ได้ทุกข์กับตัวเราเพราะตัวเรานัคือตัวทุกข์หลวงพ่อก็ชี้บอกนี่แหละทางพ้นทุกข์มันอยู่ที่รู้ตัวเราคือแบบนี้ ก็มีหลายคนนะที่เข้าใจมากอย่างโยมที่อยู่ในห้องนี้โยมโยมธรรมสันเนี่ยนะอันนี้ก็คุยมาตลอดเนาะแล้วก็โยมโยมวัดนี่อันนี้ก็เคยคุยกันมาก่อนแล้วก็โยมหนิงเนี่ยเออโยมหนิงก็เข้าใจโยมสุ ป, ปรวีเออนี่โยมก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีหลายๆายคนที่เข้าใจเพิ่มขึ้น่นะก็หลวงพ่อว่ า, วาอ๋อเห็นทางแล้วไ ด, ได้ทางแล้ว นั้นก็ไปเพียรเอาต่อยอดเอาเองนะแล้วหลวงพ่อก็มีคําแนะนําก็คือว่าการรู้ตัวเราที่หลวงพ่อแนะนําเนี่ยมันรู้ไม่ใช่คิดเอาแต่ทีนี้โยมส่วนใหญ่ก็พอพอเริ่มจับทางได้เนาะพยายามใช้ความคิดที่จะให้รู้ตัวเราโดยว่าให้แยกเหมือนกับว่าให้แยกไอ้ตัวรู้กับตัวเราแล้วพยายามจะคิดตรงนั้นนะหยุดเลยนะอย่าทําแบบนั้นทําแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเห็นตัวเราให้กลับไปใช้ หลักการเดิมที่ตัวเองเริ่มรู้จักครั้งแรกว่าเริ่มรู้จักครั้งแรกทํำยังไงละ่ะให้กลับไปตรงนั้นก่อนแล้วพอมันเป็นเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใช้วิธีนั้ น, น, นเนี่ยให้มันต่อเนื่องไปนะแต่การต่อเนื่องก็อย่าอย่าเอาตัวเราไปตั้งรู้อย่าอย่าเป็นอย่าเป็นการตั้งรู้เพราะว่าถ้าการตั้งรู้เนี่ยมันจะมีตัวเราเป็นผู้ตั้งรู้เพื่อที่จะให้เห็นตัวเราอันนั้นก็ผิดอีกให้รู้แบบบางเบาๆเหมือนเหมือนเดิมแหละประมาณนั้นแหละ เพื่อให้เกิดทักษะว่าอ๋อการรู้ตัวเราเนี่ยคือรู้แบบเนี้ยแต่จริงๆการรู้แบบนี้ก็ใช่ว่าจะจะสมบูรณ์นะแต่มันเป็นการได้แค่ต้นทางแค่ต้นทางเพราะว่าถ้ารู้ตัวเราอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันไร้เจิตนาเนอะมันไม่มีการจองไม่มีการเพ่งไม่มีการกระทําใดๆนะอันนั้น่จะเป็นเองแต่ทีนี้การฝึกมันก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละอาศัยเล็ก ๆ, ๆน้อยๆไปเพื่อนําร่องมันต่อไปมันก็จะเป็นเองนะ หรือไม่ก็ขณะที่เรามีเจตนาตั้งรู้เหมือนกับจะรู้ตัวเราเนี่ยยังไงก็ตามไอ้รู้ตัวจริงอะ่ะมันก็ต้องรู้ตัวเราอยู่ดีว่าเราเนี่ยมีการตั้งรู้มีการเจตนามีการจงใจแล้วก็จะพบว่าโอ้ไอ้ตัวรู้นะไอ้ใจนั่นเนี่ยมันรู้เราทุกอย่างเรากำลังเจตนาเรากาลังอะไรเนี่ยมันรู้เราเหมด น, นี่แหละทางบ้นทุกมันก็อยู่ที่รู้ตัวเราแบบเนี้ย คือหลวงพ่อก็มาดูนะคนเรามันมีความทุกเนี่ยมันมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยทุกมากจริงๆทุกแบบไม่เห็นทางออกเลยอ่ะแล้วก็คือจิตจะให้จิตสงบเพื่อเพื่อให้เป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยคือทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันฟุ้งมันทุกทุกทุกทุกๆุกแต่หลวงพ่อมันมันมันมันผ่านไปแล้วไงพราะมันผ่านไปแล้วเสร็จเราก็เหมือนกับมันไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วนะเนาะหลวงพ่อก็เลยคุยในแบบไอ้ขั้นปลายไง แต่อาขั้นต้นเนี่ยที่กําลังมีปัญหาเนี่ยเราเราอาจจะมีน้อยหรือเคยมีแต่ว่ามันมันแก้ปัญหาชีวิตได้โดยที่ว่าบางครั้งเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตโดยที่ว่าไม่ต้องมีคนมาบอกเหมือนกับว่ามันรู้เหตุรู้ผลเองว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยเราก็ต้องรับรับผลเองเราต้องมีทุกข์เองมันก็เลยไปไ ป, ไปดับที่เหตุนะหลวงพ่อยกตัวอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องคนเราเนาะเรื่องความรักเนี่ย ม, มันมีกันทุกคน หลวงพ่อก็จะเห็นเลยว่าเอาหลวงพ่อสมมติว่าหลวงพ่อจะพูดถึงสมัยเรียนหนังสือเนาะจริงๆหลวงพ่อเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเรียนนะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะเหมือนกับว่ารับผิด ช, ชอบตัวเองได้แต่ทีนี้มันก็อย่างว่าแหละธรรมชาติของของปุถุชนนะมันก็ต้องมีความรักใคร่ในเพศตรงข้ามเนาะเออชอบเอาขาพอชอบเขาเนี่ย เ, เริ่มติดตามเริ่มเฝ้ามองเริ่มอยากจะคุยอะไรอย่างเงี้ย แต่ทีนี้ด้วยที่ว่าเดิมหลวงพ่อไม่มีไม่มีความรักใครชอบใครยไงคือมันไม่มีหลวงพ่อก็เอาแต่อ่านหนังสือเนาะเลิกเรียนก็ทําการบ้านมาอ่านหนังสืออ่านเสร็จดึกค่าก็นอนเช้าก็ไปเช้าก็ไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเป็นเป็นกิจวัตรอย่างนี้เลยโดยที่ว่าเราไม่เคยมีความกลุ้มอกกลุ้มใจกับเรื่องภายนอกเพราะเราไม่มีสิ่งนั้นแต่พอมันเริ่มมาปั๊บเนี่ยหลวงพ่อ ม, มันจับทางได้ไงว่า แต่ก่อนเราเรียนหนังสือเราอ่านก็สบายไม่มีอะไรรบกวนแต่พอมาเป็นอย่างนี้โอ้โหพออ่านอ่านเว็บอ่านแปบบ๊บๆอ้าวแบบแบบแบบมันคิดมันลอยใจลอยอีกแล้วแปบบ๊บๆใจลอยอีกแล้วต้องอ่านออกเสียงเพื่อให้มันแบบกระชากเพื่อมันกลับมาอยู่กับตัวหลวงพ่อจับทางอย่างนี้ได้บอกอ๋อนี่นี่นี่นนให้ใจฟุ้งซ่านแล้วการเรียนมีปัญหาแน่ก็เลยหยุดก็คือไม่ยุ่งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอีกอันเนี้เนี่ยประสบการณ์คือมันไม่มีใครสอนแต่ มันรู้ด้วยตนเองอ่ะแล้วก็ละไปแต่ทีนี้มันก็อย่างว่าอีกอะนะกิเลสปุถุชนอะ่ะบางทีมันก็มีอีกพอมีอีกเสร็จแล้วอมันเริ่มเห็นอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วว่าเจรใจลอยฟุ้งซ่านอย่างนั้นจางนั้นก็เลยเห็นทุกข์ด้วยเห็นความไม่สาบายใจเห็นความหึงหวงอะไรเนี้ยโอ้ยทุกข์ก็กลับมาอีกแล้วกลับมาคือไม่ทําอย่างนั้นหรือว่าเ่าประสบการณ์นาะยชนะคือเอาเป็นเผื่อเผื่อใครเอาไปใช้แล้วหลวงพ่อนะนี่ยังจําได้เลย ในในหลวงพ่อเนี่ยจากหนังสือของหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อจะเขียนอย่างนี้เลยสัตรีคือศัตรูที่เขียนอย่างนี้อะไรเพื่อเตือนใจว่านี่เลยเขาเป็นศัตรูเราในในใ น, ในทางที่ทําให้เราเนี่ย เ, ออเสียสมาธิทําให้เราฟุ้งซ่านทําให้การเรียนของเราเนี่ยออผลการเรียนเนี่ยคือมันลดลงเนาะก็เลยเขียนเพื่อให้จดจําเอาไว้อย่าลืมอย่าลืม เพราะนันช่วงระหว่างที่หลวงพ่อเรียนหนังสือก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าไม่เอาแล้วมันมันมันเหมือนมันเป็นตัวกักคุ้มกันอ่าท <Okay. S 2> ีนี้เราไล่ไปอีกแล้วพอเราโตขึ้นอีกเป็นยังไงอ่ะประสบการณ์ของคนอ่ะมันมีหมดแหละโดยเฉพาะเรื่องความรักอ่ะมีทั้งสุขบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแล้วมันก็ซ้ําๆๆๆๆตรงนี้ถ้าใครเห็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะดับที่เหตุก็คือ อย่าไปเอาใจเราเนี่ยไปผูกมัดผูกพันกับใครถ้าผูกมัดผูกพันกับใครมันหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องเป็นทุกข์กับเขาอื <c oughs> ก็เลยตัดตัตัดตัดเสียเนาะอทีนี้ไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ต้องอ่านใจตัวเองต้องรู้ตัวเองแหละบางทีมันบอกกันไม่หมดบอกกันไม่ได้เออแต่ <c oughs> แต่ว่าผู้มีปัญญาเนี่ยอาจจะมีปัญญาที่ติดตัวมาแล้วก็ช่วยตัวเองได้บางคนอาจจะไม่มีก็ต้องอาศัย คนอื่นนะคนอื่นที่เขาบอกเขาชี้นะเราก็ฟังฟังเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เออน้อมเข้ามาใส่ตนถ้าทําได้อย่างเนี้ยปัญหามันก็จะน้อยพอปัญหามันน้อยเนี่ยการฝึกการฝึกในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดสติปัญญาแล้วก็เรื่องการปล่อยวางเนี่ยมันจะง่ายนะแต่ว่าถ้าเราเรามันกิเลสเยอะอะเนาะค่ะมันก็ยากอยู่แหละเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมันยากแน่นอน แต่สิ่งที่เบื้องต้นนะหลวงพ่อมองนะว่าถ้าให้ชีวิตที่อยู่ราบเรียบอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยสี่ห้านั่นแหละคารวาสเนี่ย ก, ก, ก็มีสี่ห้าได้เนาะตรงไหนที่ทําไปแล้วมันบกพร่องรู้สึกมันทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยก็ละเว้นการทําสิ่งนั้นไปแต่อย่าลืมนะสิ่งที่ทําไปแล้วมันยังให้ผลได้อยู่นะจะ <laughs> ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดเนาะ <laughs> เคยทําเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วอะไรเนี่ยอืมันให้ผลได้แต่ว่า การหยุดทำเดี๋ยวนี้คือหยุดทำผิดศีลเนี่ยหยุดตั้งแต่ตอนเนี้อย่างน้อยก็ความผิดอันใหม่ไม่มีเหลือแต่ความผิดอันเก่าซึ่งอาจจะมีผลบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังยังน้อยกว่าที่เราไม่ไม่เลิกทําผิดอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นซึ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยสมมติว่าเรามามาฟังธรรมะเรื่องการปล่อยวางเรื่องปัญญาแต่พอ กลับไปดูเบื้องหลังโอ้เรายังเรายังเป็นคนผิดศีลผิดธรรมอยู่เยอะเลยไงนะตรงนี้ต้องปรับปรุงตัวไม่อย่างนั้นเนี่ยเราฟังธรรมะได้แค่เข้าใจแต่การปฏิบัติมันไม่ได้ผลเพราะว่ามันสวนทางกันอยู่หมายถึงว่าอ๋อพอฟังแล้วมันเข้าใจถูกทุกทีพอเลิกฟังเสร็จก็ไปทําผิดเหมือนเดิมมันก็กลายเป็นพายเรือเนาะพายเรือแล้วก็เอามือราน้ํามาพายไปด้วยมือราน้ําไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปถึงไหนนี่หลวงพ่อเขชี้ในจุด ึือบางทีก็ควรมองเหมือนกันค่ะก็มนุษย์เรานะเขายังมีรักโลภโกโรธหลงอยู่นะคะเมื่อวานก็ได้คุยกับอืเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะในในครับเฮาส์เหมือนกันก็บอกว่ายังแบบเห็นสาวก็ยังแบบเหมือนกับว่าเออยังมีความรู้สึกว่าโอ้ยังเหมือนกับว่าติดเรื่องความสวยความอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เขาก็ไปมองเรื่องอสุภะก็คือความน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไปอย่างเช่นผู้หญิงจะต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะแบบ เ, เสริมมุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S เขาก็พยายามเลี่ยงไปมองในสิ่งที่น่าเกลียดไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เ, เล็บจะต้องทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, น เ, เป็นวิธีการหนึ่งเช่นกันแต่ว่าจริงๆต้องมองให้มัน เรียกว่าอะไรคะสำหรับหนูเองนะคะอันนี้ส well. ่วนตัวหนูคิดว่าถ้าเราไปบังคับว่าให้มองเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันเหมือนการบังคับให้เราเบี่ยงประเด็นมากกว่าซึ่งจริงๆมันไม่ต้องไปมองตรงจุดนั้นน่ยหนูคิดว่ากลับมมองที่ใจเราเองมันจะมันจะง่ายกว่านะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีคําแนะนํำไหมคะเรื่องตรงนี้ก็มันอยู่ที่สติปัญญาแหละเนาะบางคนสมมติว่ามีความมีราคาเนาะความยึดดีพอใจในรูปมาก มองใจไม่ออกมองใจไม่เป็นกำลังไม่พอก็เลยต้องอาศัยตัวช่วยเนาะเพื่อให้เห็นสิ่งสิ่งนี้ว่ามันไม่งามมันส ก, กปรกมันสโสโครกไม่ไม่มันขยะกขยแงองินเนาะเออเพื่อที่จะทำให้ใจเนี่ยไม่ร่วมหลงในสิ่งนั้นมันก็ก็เป็นตัวช่วยเนาะเออเป็นตัวช่วยซึ่งในในหลักคำสอนเรื่องกรรมฐานสี่สิบมันก็ก็มีพวกนี้อยู่นะ เพราะนั้นมันก็อยู่ที่ที่บุคคลนะเอออย่างหลวงพ่อเองจริงๆก็ตรงนี้มองมองน้อยมากเลยหลวงพ่อเพียงแต่ว่าเออถ้าเรื่องความรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อไม่ค่อยสนใจตรงนี้แล้วก็ออกเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นขณะขณะแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวา ง, วางก็เลยเออไม่ต้องฝึกตรงนั้นแต่มันเคยมีมันมันมีเหมือนกันนะพอเราฟังคนอื่นเวลาเขาคุยเรื่องอาสุภาเนี่ย มันเหมือนกับว่าพอเขาคุยปั๊บเนี่ยมันเห็นเป็นนิมิตนะเนาะคือมันไม่ได้เห็นจริงหรอกแต่มันเป็นนิมิตเห็นตับไตไส้พุงเป็นของที่ไม่งามเป็นของโสกกระปกเป็นพลุงพลังโอ้ยเลือดสีแดงน้ําเหลืองน้ําเน่าอุดจระเน่าคือมันเห็นเป็นนิมิตเลยเห็นพอเห็นตรงนี้ปั๊บมันเห็นเป็นของที่ไม่งามอันนี้หลวงพ่อเลยคิดเอาเองว่าอันพวกนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เคยฝึกมาก่อนไม่รู้ไม่รู้ชาติหนไหนที่มันยัง มันยังเคยชินยังมันเคยเขาเรียกว่ามันระลึกได้ขึ้นมาในชาตินี้เนาะแล้วก็บางทีหลวงพ่อมองนะไอ้เรื่องผู้หญิงอ่ะจริงๆมันเห็นตั้งแต่นู้นแล้วตอนที่เอ่อที่เริ่มเริ่มปฏิบัติธรรมมาเนาะทําไมเราเห็นผู้หญิงเนี่ยมันมันมองทะลุหมายพูดไปเหมือนกับว่ามันมองทะลุเสื้อผ้าไปเลยเนาะมันเห็นข้างในอ่ะแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่เป็นความจริงแต่ว่ามันเป็นนิมิต มันเห็นทะลุไปเลยพอเห็นทะลุก็กลายเป็นว่าเป็นของไม่งามเลยน่าเกลียดหน้านั้นเนี่ยมันก็เลยแบบอืไม่เอาไม่เอาเียมันแบบขยะกขยแยงอ่ะมันแปลกว่าเออชาตินี้จริงๆเราก็ไม่ได้ฝึกเรื่องนี้แต่ทําไมมันมันเห็นอย่างเราก็เออเห็นก็เห็นเนาะเอมันเป็นตัวช่วยเหมือนกันทําให้เราไม่ไม่หลงไปอะไรเนี่ยเนาะอืมค่ะแล้วแล้วค่ะอ่ามันมีอีกนิดหนึ่งมันมีมันนี้เล่าอดีตลักอณะ แต่กเ็เป็นเรื่องที่ควรรับฟังสมัยที่ก็ทำงานแล้วแหละเนาะทำงานหาเงินอะไรเนี่ยแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันความรู้สึกว่าเออใจเริ่มวาวุ่นอีกแล้วเริ่มจิตส่งออกไปคิดถึงคนนั้นอยากจะเอามาเป็นเจ้าของอะไรเนี่ยเนาะทีนี้มันก็เห็นเป็นทุกข์แต่ว่ารู้สึกว่ากำลังเนี่ยกาลังที่จะถอยออกเนี่ยมันไม่พอแล้วก็ประกอบกับว่ายุคนั้นเนี่ยที่คนติดเอ็กันเยอะเนาะเป็นเอ็กันนะ เป็นเอสแล้วผู้หญิงติดเอสดเราก็เคยไปดูวัดที่วัดพระบาทน้ําพุที่ลบบุรีแล้วก็เคยติดตามข่าวคนเป็นเอสดแล้วดูดูรูปถ่ายดูภาพดูวิดีโอแล้วเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบไม่น่ารักไม่น่าชังเลยแล้วมันก็เลยใช้อุบายเลยว่าต่อจากนี้ไปอะเวลาเราเห็นผู้หญิงเนาะให้นึกเอาว่าคนนั้นอะเป็นเอสดอะคือแบบนึกเรื่องเอสดไปเลยเอสดเอสดดูสิมันแบบมันมั น, ม, นมันทำของมันเองเหมือนกับว่าไม่ไม่มีใครสอนหรอก มันทําอะไรเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้หลงนะหลงยินดีกับกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วมันก็ช่วยได้นะมันเออมันก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวช่วยอะ่ะพอตามองเห็นครับถึงหน้าตาดีเนาะแต่ในใจมันมันท่องเอาไว้ว่าอืเป็นเอด็ดเป็นเอด็ดอย่าเอาอย่ายุ่งค่ะไม่เป็นตัวช่วยหรอกแล้วอย่างคนที่แบบว่าถ้าบางคนบอกว่าเนี่ยตายซ้อมซ้อมตายก่อนแล้วก็ไปนอนในโรงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม อันนี้ก็คล้ายๆกันไหมคะหลวงพ่อก็คงคงคล้ายกันเพราะว่าคนเนี่ยกลัวตายนะทุกคนเนี่ยกลัวตายหมดเลยไม่ไม่มีใครไม่กลัวหรอกแต่ตอนเนี้ความรู้สึกไม่กลัวเพราะว่ามันยังไม่มีเหตุให้กลัวเนาะก็ดูเ<ไ>ป็นไม่น่ากลัวแต่บางคนเนี่ยเอาสมมติว่าบางคนเขาบอกเขาไม่กลัวหรอกตายอ่ะแต่ลองไปนอนในโรงจริงอ่ะมันจะเกิดความความคิดปรุงแต่งเนะเาะพอความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันทําให้รู้สึกกลัวก็มีแต่บางคนก็ปกติไม่เฉย แต่บางคนก็ทําไปแต่ว่าใช้สมาธิข่มคือพอไปนอนในโรงปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่ากดข่มไม่รับรู้เนาะไม่ให้จิตปรุงแต่งเนาะเออมันแล้วแต่แต่ว่าถ้าเราทําเพื่อให้เกิดการรับรู้คือหมายความว่าทําอย่างนั้นแหละแล้วก็ปล่อยให้ความคิดความรู้สึกให้มันทํางานอย่างธรรมชาติแล้วก็รู้มันเห็นมันว่ามันมันปรุงไปแบบไหนปรุงแบบกลัวไหมหรือไม่กลัวหรือเฉยๆอะไรเนี่ยเพราะว่าไปถึงจุดหนึ่งอ่ะ มันตายจริงๆเพราะฉะนั้นลองแค่ซ้อมมาอย่างเนี้ยกลัวไหมอ่ะเออหลวงพ่อก็เคยไปทาหลวงพ่อไป ท, ทําที่ที่วัดในจังหวัดลบบุรีอื ม, อมวัดอะไระลืมชื่อแล้วแหละน ะ, ะก็ลองไปทําพอลงไปนอนแต่ว่าอ้ น, นี้มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโรงที่ทําขึ้นยังไม่เคยใส่ศพไง<อ>แต่ถ้าบางคนที่ใส่ศพก็อีกอย่างนึงใช่ค่ะทีนี้พอไปนอนในโรงเนาะเราก็แบบ ทำเหมือนกับเราเคยเห็นคนตายที่นอนในโลงเนาะเราก็นอนนอนเยียดแล้วก็มือประสานไว้ที่อกแล้วก็นอนแบบอ้าปากวอใช่ไหมแล้วมันก็นึกถึงว่ามันเห็นภาพไงตอนนี้มันเป็นนิมิตคือเห็นตัวเองเนี่ยนอนแล้วก็เหมือนกับเป็นคนตายเนี่ยตรงเนี้ยแต่จริงตรงนี้เนี่ยถ้ามองกันนะมันเป็นเรื่องของการรู้ตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าขณะที่ทาอย่างเนี้ย มันเหมือนกับว่าเห็นตัวเองเนี่ยนอนแบบนอนเหมือนคนตายนอนมือประสานมันเป็นดิมิตเขาเรียกว่าเห็นกายเนาะแต่ตัวเห็นตรงนั้นแหละคือใจนั่นแหละเป็นผู้เห็นเนาะใจเป็นผู้เห็นแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็มันปรงอะ่ะเหมือนกับว่ามันปรงคือเออเวลาตายจริงเนี่ยก็นอนอย่างเนี้ยปรงแล้วใจก็เหมือนกับว่ายอมรับไม่ไม่ฝืนเนาะไม่ขัดไม่ขืนยอมอย่างเงี้ยก็เลยเออมันก็ศึกษาอีกแบบหนึ่งเนาะนะก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามันมันเป็นเรื่องที่ศึกษาเนะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ยึดถือว่าไอ้ทุกคนฝึกปฏิบัติธรรมทุกคนต้องทําอย่างนี้ทํามันมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นมันเหมือนว่าถ้าใครได้ทําก็อย่างน้อยก็ได้ได้รู้ได้เห็นว่าเออมันเป็นความรู้สึกนึกคิดยังไงเนาะจิตมันยอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยก็ทําไปเพื่อศึกษาหมดแหละสุดท้ายก็มันก็ทิ้งหมดอ่ะเนาะทิ้งไม่เหลืออะไรทีนี้ที่เราฝึกเนี่ยนะฝึกก็คือเพื่อการปล่อยวาง ตรงนี้คือทุกคนจะต้องต้องมีอยู่ในใจว่าทุกอย่างเนี่ยยึดถือไม่ได้นะไอตัวที่ปล่อยวางยากที่สุดน่ยคือจิตไอไอกายเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นมาก่อนแล้วกายเนี่ยนะเป็นสิ่ง ท, ที่ที่เห็นได้ไม่ยากแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยจะ ง, ง่ายกว่านะแต่จิตเนี่ยจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยไอจิตรู้เนี่ยตรงนี้ยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตกันเลยอะ่ะหมายก่าว่าถ้าจิต จิตหลับจิตไม่ตื่นจิตไม่รู้เรื่องน่ะคือตายกันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรักรักจิตเป็นที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทํายังไงให้มันพลากออกจากจิตวิญญาณนี้ได้ให้มันหลุดพ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าเป็นขั้นตอนนะที่คุยๆนี่แหละก็คือมีมีใจยางนะคือไอ้ตรงที่รู้จิตนั่นแหละไอ้ตรงที่รู้จิตปรุงแต่งไอ้ธรรมชาติที่รู้จิตปรุงแต่งอันนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือมันพ้นจากจิตปรุงแต่ง แต่จิตปรุงแต่งอ่ะคือวิญญาณนั่นแหละแล้วมันก็ดับไปแต่อันนู้นที่เรียกว่าใจมันมันไม่ดับมันเป็นเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้ให้เข้าถึงตรงนั้นทีนี้เวลาเราฝึกเราก็สังเกตตัวเองนี่เวลาเนาะสมมติว่าเรื่องกายเนี่ยรักกายไหมยังยึดกายไหมลองเอาดูตัวตอนกายป่วยอะ่ะเวลากายป่วยอะ่ะเป็นไงล่ะจิตคอยดูแลรักษาคอยคือแบบหวงกายมากเลยมันเหมือนกับว่า กายก็เป็นเป็นที่พึ่งของใจอ่ะเนาะของจิตอ่ะเนาะถ้าไม่มีกายจิตก็อยู่ไม่ได้มันก็ก็ต้องปรุงแต่งเพื่อบำรุงรักษาดูแลอะไรเนี่ยมันก็ยอดเยอะเยอแต่ทีนี้ถ้ามันลองสังเกตตัวเองแหละเวลามันป่วยนิดป่วยหน่อยแหละมันเป็นยังไงอ่ะหรือว่าเวลามันหนาวมันหนาวมากมันร้อนมากเนี่ยมันหวงกายไหมแค่ไหนยังไงใช่ไหมต้องต้องอ่านให้ออกแหละแต่ถ้ามันหวงมันอะไรก็คือถ้ามีพูดถึงการฝึกสติเะก็คือแค่รู้นั่นแหละแค่รู้เพราะ ไอ้ตัวสติเนี่ยมันเป็นเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าตัวสติเนี่ยไม่ได้แต่รู้ไม่ยึดถืออะไรนั่นมันก็เป็นความพ้นเขาเรียกว่ามันพ้นด้วยสติส่วนไอ้กายกับจิตที่มันมันรักกันมันหวงกันมันยึดกันไอ้นี่เป็นแค่อาการเป็นแค่อาการที่มันเป็นความจริงที่กําลังปรากฏอ่าแต่ตัวสติตัวปัญญาซึ่งมันอยู่เหนือกว่ามันก็เห็นอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยึดถือเนี่ยก็เป็นเรื่องเพราะนั้นเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิตแล้ว แต่ตัวสติมันเป็นตัวที่ที่มองเนาะอยู่ในมุมสูง แ, ออแล้วตัวตัวสติปัญญาเนี่ยตัดไปมันก็กลายเป็นใจคืออยู่มุมสูงแล้วก็เห็นเหตุการณ์แต่ก็ไม่ยึดถือมันก็เักกับว่าปล่อยวาง